592-1991 วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแเเมเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลก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 กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะดิฉันวัชรินคณาชากลับมาพบคุณผู้ฟังได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา18นาิกาสานาทีจนถึงเวลา 19. บเนาฬกาโดยประมาณเรื่องราวที่เราจะเล่าสู่กันฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วฟังแล้วอมยิม้ม อมยิ้มหรือเปล่ไม่รู้ดิฉันอมยิ้มเวลาเล่านะคะเล่าไปอมยิ้มไปมีความสุขนะคะเพื่อที่ใช้คุณผู้ฟังนั้นเริ่มต้นการทํางานในวันจันทร์ด้วยความสุขเริ่มต้นด้วยกําลังใจด้วยเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ น, นะคะสําหรับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเร า, เ อ, าอยากจะเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นเรื่องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เปิดตัวศูนย์ประสาน การตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการเรื่องของกัญชาเนี่ยเราคุยกันมาแบบโอโหร้อนชาในหลายประเด็นในหลายมิติกันมากนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าออกทางหน่วยงานสาธารณสุขจะต้องเข้าออกมาให้การรับรองที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับประชาชนรวมถึงผู้ที่อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้การรักษาในการปลูกเนี่ยต้องชัดเจนนะคะเพื่อที่ประชาชนเองก็จะได้มีแนวทางในการปฏิบัติ ได้ถูกต้องนะคะทางนี้หน่วยงานทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์เนี่ยเขาก็ต้องออกตัวในฐานะที่เขาเองนั้นเป็นหน่วยงานที่ต้องตรวจให้การรับรองในเรื่องของสารออกฤทธิ์นะคะโดยในแพทย์โอภาส การกวินพง์นะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าจากกระแสความนิยมในเรื่องของการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์เนี่ยประชาชนก็ให้ความสนใจต่างก็ไปสแสวงหาผลิตภัณฑ์กัญชานำมาใช้เพื่อที่จะมุ่งหวังผลทางการรักษานะคะโดยภาครัฐก็ออกมาเตือนเป็นระยะระยะนะคะถึงความปลอดภัยถึง เขาเรียกว่าอะไรถึงความปลอดภัยถึงมาตรการถึงรวมถึงการใช้เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นต้องเฝ้าระวงังแล้วก็พึงระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็อยากจะได้ยาที่มันดีนะคะมารักษาประกอบกับปัจจุบันเนี่ยการพัฒนายาจากกัญชาเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วก็เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านยาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของยากัญชาที่มีใช้ในท้องตลาด ทางกรวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและก็วัตถุเสพติดของประเทศก็เลยจัดตั้งศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการขึ้นโดยมีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสารสกัดยาจากกัญชาในการอบรมให้ให้การอบรมนะคะรวมถึงให้คําปรึกษาห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในเรื่องของการตรวจคุณภาพและความปลอดภยัยพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนำไปใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กัญชาได้เองการผลิตสารมาตรฐานทดแทนการนําเข้าเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของกัญชารวมถึงการประสานความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจกัญชาของประเทศด้วยนะคะนี่คือเป็นขอบขายงานทั้งหมด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโดยศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการนี้เนี่ยนะคะก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมีห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางที่สํานักยาและวัตถุเสพติดจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ห้องปฏิบัติการในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคปัจจุบันห้องปฏิบัติการส่วนกลางเนี่ยก็ได้เริ่มดําเนินการตรวจทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งวัตถุดิบ สารสกัดที่นำมาทำยารวมถึงน้ำมันกัญชาด้วยการทำงานร่วมกันกันกบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอนะคะในการตรวจคัดเลือกของกลางกัญชาที่มีความปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ผลิตยากัญชาตรวจความปลอดภัยของพืชกัญชาที่ปลูกในระบบปิดขององค์การเพศสัจกรรมนะคะก็ ตรวจวัตถุดิบสารที่ได้จากสารสกัดาจากการสกัดที่ได้จากกรมการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็ยังได้ตรวจคุณภาพยากัญชาที่ได้จากองค์การเภสัชกรรมแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศก่อนที่จะนําไปใช้ในโรงพยาบาลรวมถึงให้การอบรมเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการอื่นๆอย่างเช่นห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ย เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของยากัญชาที่จะนำมาใช้นะคะโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมีแผนที่จะเปิดให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาคภายในเดือนตุลาคม2องนี้นะคะซึ่งจะสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 จังหวัดชลบุรีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12จังหวัดสงขลานะคะนี่เป็นเรื่องที่หยิบมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีศูนย์ที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจกัญชาในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วตามภูมิภาคนะคะทั้งหมด กีสูเนี่ยหเชียงใหม่2 อ, อชนบุรีสนครราชสีมา4ที่สงขลาแล้วก็5ที่ส่วนกลางนนทบุรีนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้สำหรับคุณผู้ฟังหรือประชาชนที่อยากจะเอาไปตรวจไปดูสารว่ามันมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มาตรฐานในการที่จะออกฤทธิ์ทางยาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้าช่วงอยากรู้เป็นเรื่องอะไร Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies. With white clouds high above, once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where. Are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? In this wide world, left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the r o a d You can't be happy until you bring it home, home to the green fields and me once again.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 อิงลิสโซนพร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา12นาฬกถึง13นาฬกาที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะช่วงนี้ช่วงอยากรู้หยิบเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากอีกมุมโลกนึงมาเล่าสู่กันฟังในรายการค่ะเรื่องราวที่ดิฉันหยิบมาเล่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมาตรการดีๆในการที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นมาตรการดีๆที่ทำให้เราเองนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเรื่องดีๆที่หยิบมาเล่ายังคงเป็นเรื่องของการแบนสุ การแบนถุงพลาสติกนะคะซึ่งมันเป็นเรียกว่าไม่ใช่วาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าปัญหาของถุงพลาสติกเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แค่เรามองเห็นตามถนนหนทางละมันมันไปมันไปไกลามากไปจนถึงมหาสมุทรมันลงไปถึงถึงก้นบึ้งเลยข้างล่างนะคะที่ทำให้ระบบนิเวศในทะเลนั้นเสียหายไม่ใช่แค่ในทะเลเป็นท้องฟ้าด้วยนะคะอากาศแปรปรวนสภาพความ แปรปวนที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกนี้ก็มาจากความแปรปวนที่เราเองนั้นมองเห็นด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็มันก็ไปจนถึงบนฟ้าแล้วก็ไปถึงในน้ำด้วยนะคะเรื่องราวดีๆนี้ขอบคุณข่าวจาก BBC นะคะโดยเป็นเรื่องของการแบนถุงพลาสติกในต่างประเทศนะคะโดย2ปีที่แล้วเนี่ยเคนยาเขาได้มีเริ่มใช้มาตรการไม่ให้มีการใช้ถุงพลาสติกเป็นมาตรการในการลดใช้ถุงพลาสติก ได้เปิดตัวไปแล้วเนี่ยมาดูว่ามันได้ผลแค่ไหนนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยในเคนยาเนี่ยมีการใช้ถุงพลาสติกหลายสิบล้านถุงในซูเปอร์มาร์เก็ตของเคนยาแต่ละปีก็มีปัญหาในเรื่องของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไปอุด ตันท่อระบายน้ำแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนะคะการศึกษาของหน่วยงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเคนยาก็บอกว่ามีการพบถุงพลาสติกในห้องอในท้องค่ะไม่ใช่ในห้องในท้องของปะสสตว์บริเวณใกล้เขตเมืองมากกว่า 50% ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดเนี่ยหลังจากสัญญาว่าจะเริ่มแก้ปัญหานี้มาหลายปีรัฐบาลก็มีการสั่งการผลิตการขายแล้วก็การ แจกจ่ายถุงพลาสติกที่ผิดกฎหมายในที่สุดรัฐก็บอกว่าตั้งแต่นี้ห้ามนะคะให้ประชาประชากร 80% เนี่ยหยุดใช้ถุงพลาสติกแล้วแม้จะดูเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแต่ทางเลือกนี้เนี่ยคนก็หันไปใช้ในสิ่งที่เป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือพลาสติกเนี่ยเป็นเป็นโพลีเอสเตอร์เนาะแล้วก็พอไปสั่งเลิกไม่ให้เขาใช้ผู้ผลิตแล้วก็นาเข้าแล้วก็ขายถุงพลาสติกในเคนยาเนี่ย ก็แปรไปใช้อย่างอื่นแต่มาดูมาตรการก่อนว่าเขามีโทษสูงแค่ไหนสำหรับผู้ผลิตแล้วก็นำเข้าขายถุงพลาสติกในเคนยานะคะโดย ผ, ผู้ผลิตนำเข้าอาจจะถูกปรับสูงถึง 40,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.2 ล้านบาทและจำคุกถึง4ปีนะคะผู้ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยจะถูกปรับมากกว่า500อดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณหน0 0บาทหรือจาคุก1ปีตอนนี้เนี่ยมีการสั่งปรับ ระหว่าง5 0 0ร้อยถึงหนึ่ดอลลาร์ไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ300คนนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคริอาโคโทบิโกนะคะก็บอกว่าบางคนก็ถูกจําคุกปีที่แล้วคนที่สารภาพผิดในชั้นสามในเมืองมอมบาซา18คนถูกปรับ300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9 0 0 0พบาทหรือถูกจําคุก8เดือนในโทษฐานใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงพลาสติกนี่มีโทษกันเลยนะคะบางกรณีคนที่ทําความผิดครั้งแรกก็ได้รรับกาผผ่อนนนไปะะคะ รัฐมนตรีอ่อไม่ใช่ค่ะมามูมามูนะคะรักษาการผู้ํานวยการหน่วยจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็บอกว่าในแต่ละกรณีเนี่ยก็จะปล่อยให้เป็นวิจารณญาณของผู้พิพากษาในการตัดสินนะคะโทษที่หนักที่สุดตอนนี้เนี่ยเป็นการสั่งจําคุกผู้ผลิตเป็นเวลา1ปีโดยไม่เปิดให้จ่ายค่าปรับนะคะคือจําคุกเลยไม่ต้องมาจ่ายค่าปรับนะคะเขาบอกว่าการห้ามใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงแล้วเห็นได้จากโรงค่าสัตว์ที่บอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยในท้องสัตว์มีถุงพลาสติกอยู่ในนั้นตอนนี้ในท้องสัตว์มีถุงพลาสติกน้อยลงอ่ะก็แม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็โอเคนะเขาก็อุตสาบออกมาตรการแล้วเนี่ยก็ ในภาพรวมก็โอเคเพราะว่าการลดการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยดีขึ้นนะคะในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าบางร้านเนี่ยเลิกใช้ถุงพลาสติกแล้วร้านค้ารายย่อยที่ใช้ถุงที่ทําจากพลาสติกใสมีสัญญาณให้เห็นว่าถุงเหล่านี้เนี่ยถูกลักลอบนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาแล้วก็โซมาเลียนะคะการลักลอบลักษณะนี้เนี่ยเป็นปัญหาสําหรับรวันดาซึ่งเริ่มห้ามใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี2008เช่นกัน ร, รวมถึงโมร็อกโกนะคะเริ่ม ห้ามใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี2007แทนเซเนียเองก็เคยเป็นแหล่งผลิตถุงพลาสติกเพื่อการลักลอบก็ถูกห้ามใช้เมื่อเดือนมิถุนา ย, ยนที่ผ่านมานะคะ อ, อ, อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีความตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐานนะคะว่าประเทศในแถบแอฟริกาเหล่านี้เนี่ยประกาศการเลิกใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเป็นเพราะว่าด้วยระบบการกำจัดของเขาเนี่ยคือ ห้ามใช้ดีกว่าที่เขาเองนั้นจะสร้างระบบเพื่อเพื่อการกําจัดเพราะว่าเขาเองเขายังขาดความพร้อมในการที่จะบริหารจัดการขยะพลาสติกเหล่านี้อย่างดีการห้ามใช้จึงเป็นทางออกสำหรับเขาในการที่จะแก้ปัญหาจากต้นเหตุซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะแต่การห้ามใช้นั้นนำมาถึงปัญหาใหม่ค่ะ ปัญหาใหม่เริ่มขึ้นก็คือเมื่อเริ่มห้ามใช้ถุงพลาสติกเนี่ยคนก็หันไปใช้ถุงพลาสติกที่ทําจากโพลีโพรพิลีนนะคะซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งแต่เป็นพลาสติกที่ออมันนําไปรีไซเคิลได้ยากกว่านะคะเออไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะเออคนหันไปใช้ถุงพลาสติกที่ทําจากโพลีโพรพิลีนนะคะซึ่งเป็นพลาสติกที่นําไปรีไซเคิลได้ง่ายกว่าโพลีเทนนะคะ หน่วยหน่วยงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเริ่มใช้โพลีทีนเป็นส่วนผสมมากขึ้นทำให้พลาสติกเนี่ยไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้สั่งห้ามใช้ถุงที่ทำจากโพลีโพรพิลีนจนกว่าจะมีการผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าเนี่ยก็เรียกร้องจนรัฐบาลต้องยอมค่ะยอมที่จะให้ใช้ถุงที่ทาจากโพลีโพรพิลีนยังสามารถใช้อยู่นะคะก็ เป็นการพบกันครึ่งทางของรัฐบาลและก็ผู้ประกอบการนะคะโดยสมาคมผู้ผลิตของเคนยาเนี่ยก็บอกว่าการท่ำใช้ถุงพลาสติกเนี่ยส่งผลให้มีคนตกงานการลงทุนและก็เศรษฐกิจเสียหายเนื่องจากมีผู้ผลิตหลายเจ้าที่ย้ายกิจการไปประเทศอื่นอย่างไรก็ตามผู้ผลิตบางรายก็หันไปผลิตถุงที่ทำจากวัสดุอื่นแทนนะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของอหน่วยงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็บอกว่ า, าความสามารถในการผลิตยังมีอยู่อย่างจํากัดนะคะก็คือมันไม่ใช่ง่ายนะักพอเลิกไม่ให้ใชอ้อีกแบบหนึง่งเพื่อที่จะให้ผลิตอีกแบบนึงแทนเนี่ยมันจึงต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันในเรื่องของอยากอยากรู้นะคะเป็นเรื่องของการแบนถุงพลาสติกซึ่ง ในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีความพยายามนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวของ Trash Hero ไหมคะที่เขาเองนั้นเป็นกลุ่มจะเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์ไหมก็น่าจะใช่ที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านของการลงพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะเก็บขยะนะคะดิฉันเองก็พยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็จะประสานเพื่อที่จะ มาเล่าสู่กันฟังในรายการนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการที่ว่าจะจะจะเป็นทร a ชชิโร่กลุ่มไหนเพื่อที่จะเอามาเล่าแล้วก็ตรงแล้วก็จะสามารถต่อยอดให้คุณผู้ฟังนั้นเกิดมุมมองเกิด ม, มิติที่จะสามารถร่วมมายร่วมมือได้นะคะทรัชิโร่เนี่ยเขาก็จะลงไปในพื้นที่เกาะแก่งต่างๆนะคะ ชายหาดของประเทศไทยเพื่อที่จะเก็บขวดพลาสติกถุงพลาสติกรวมถึงขยะพลาสติกในทะเลแล้วก็นํามาหลอมทําเป็นสินค้าใหม่นะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง Facebook เราก็จะเห็นในเรื่องของการแชร์ต่อต่ อ, ต อ, ตอกันว่ามีการนําขยะพลาสติกที่ได้จากท้องทะเลเนี่ยมาหลอมใหม่ให้กลายเป็นรองเท้าแตะนะคะก็ได้รับความร่วมม้ร่วมมือแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนสั่ง รองเท้าเนี่ยเข้ามากันมากทีเดียวดิฉันว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ใช้ได้แล้วก็ดีทีเดียวเลยเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็สะท้อนใจเนาะเพราะว่าอาไปได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้แต่ทิ้งขยะไว้แบบมันไม่สวยเลยอะมันไม่สวยแล้วก็รู้สึกว่ามีมีภาราจนะคะมีภาระใจยอยากจะทําให้ทะเลไทยเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วก็อย่างน้อยอย่างน้อยนะคะคนในพื้นที่ก็ต้องเห็นว่าทะเลบ้านเ้าเนี่ย เป็นแหล่งทำมาหากินที่จะสามารถ เ, เป็นอู่ข้าวอู่น้ำในอนาคตจิตสำนึกที่จะทำให้ร่วมม้ร่วมมื อ, อชุมชนในท้องที่เนี่ยดูแลด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเองในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย อ่ออูข้าวอูน้ำเนี้ยมันก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะรับไปเป็นโจทย์นะคะว่าจะหยิบแล้วก็จะประสานนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับวันนี้เวลาของเป็นเรื่องเป็นราวหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันวัชรินคันทาชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์